จะทำอะไรเนี่ยคนเราก็มักจะให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นหรือการทำครั้งแรกนะเพราะเชื่อว่าถ้าทำดีทำถูกนะมันก็ส่งผลไปนะถึงการกระทำครั้งต่อๆไปอย่างที่มีคนกล่าวว่าเนี่ยถ้าเริ่มต้นดีก็ถ้ากล่าว่าทำสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ย ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนี่เราก็อยากจะให้การเริ่มต้นหรือขั้งแรกเนี่ยมันมันดีมันราบรื่นอย่างเช่นแม่ค้าหรือพ่อค้าเนี่ยอาการขายของหรือขายสินค้าเนี่ยขั้งแรกของวันเนี่ยมันมีความหมายมากอันถ้าเริ่มต้นการขายนะอย่างราบรื่นนะก็ทำให้มีกำลังใจแล้วก็เชื่อว่า วัน น, นทั้งวันเนี่ยก็จะขายได้ดีคนที่เขียนหนังสือหรือทํารายงานเนี่ยก็จะให้ความสําคัญกับประโยคแรกหรือว่าบรรทัดแรกหรือยอหน้าแรกนะเพราะถ้าเกิดว่าบรรทัดแรกเนี่ยยอหน้าแรกเนี่ยหรือประโยคแรกนี่ออกมาดีไหลลื่นนะมันก็ช่วยทําให้ ประโยคต่อๆมาบันทัดต่อๆมาหรือว่าย่อหน้าต่อๆมานี่มันก็ดีไปด้วยอันนี้เป็นเหตุผลนะที่ทำให้คนเราให้ความสาคัญกับวันแรกของปีนะวันแรกของปีเนี่ยถ้าว่าเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันที่เราได้พบแต่สิ่งดีๆที่ปรารถนาด้วยการทาสิ่งดีๆ มันก็ทำให้มีความหวังว่าวันต่อๆไปของปีมันก็จะดีด้วยบางคนก็อาจจะเลือกไปเที่ยวหรือว่าเฉลิมฉลองเติมความสุขให้กับตัวเองในวันแรกของปีให้เป็นวันพิเศษแต่บางคนก็เลือกที่จะทำสิ่งที่เป็น ความดีเป็นบุ ญ, เ ป, บ ญ, เ, ปบญเป็นกุศลจะได้เกิดสิริมงคลตั้งแต่วันแรกของปีนะเช่นไปนะทำบุญเรี่ยงพระใส่บาตรหรือนะสวดมนต์ข้ามปีไปเลยนะเริ่มต้นนาทีแรกนะชัมม่วโมงแรกของปนะีด้วยการสวดมนตนะ์สาธยายสิ่งที่เป็น มงค ล, ลก็เชื่อว่าสริมงคลก็จะแพ่ปกคลุมไปถึงวันอื่นอนืตลอดทั้งปีด้วยแยวแล้วก็ตามเนี่ยเนื่อคนเรานี่เป็นปุุ้ชนนะบางครั้งเนี่ยในการเริ่มต้นก็อาจจะเริ่มต้นผิดหรือว่า ทำทีแรกเลยก็เกิดผิดพลาดขึ้นมานี่ธรรมดาสิ่งสาคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าทําครั้งต่อมาเนี่ยมันไม่ควรจะผิดเหมือนครั้งแรกมอในแง่นี้เนี่ยาการทาครั้งที่สองหรือการทาครั้งหลังเนี่ย มันสำคัญกว่าครั้งแรกนะเพราะครั้งแรกนี่อาจจะผิดแต่ครั้งที่2หรือทำครั้งหลังเนี่ยนะมันก็ไม่ควรจะผิดควรจะทำให้มันถูกแล้ว่อยครั้งคนเราก็พอผิด1แล้วแล้วก็ปล่อยให้ผิด2ตามมาอย่างเช่นบางคนนะ นัดเพื่อนเอาไว้รับปากเอาไว้นะว่าจะไปเจอกันนะที่นั่นที่นี่วันนั้นวันนี้รากว่าลืมนะลืมมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าถ้าครั้งต่อไปนะเกิดลืมอีกนะอันนี้มันเสียหายแล้วบางคนเนี่ยนะขับรถ อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังถอยหลังรถก็ไปชนต้นไม้รถก็บุบนะอันนี้ก็ธรรมดาเพราะคนเราผิดพลาดกันได้แต่ว่าครั้งต่อมาก็ยังเผลอน่ถอยหลังรถชนต้นไม้อีกไงอันนี้ถือว่าแย่แล้วละ่ะ เพราะว่าทาผิดซ้ำสองหรือบางคนหนักว่านั้นนะนะนะสตาร์ทรถจะขับรถนะออกจากบ้านพรากว่าไปเหยียบนะไปทับแมวตายนะเสียใจมากแต่พอครั้งต่อมาก็ยังเผลออีก ไม่ตัวตาให้ถี่ถ้วนนะก็สตาร์ล้วก็ไปทับแมวอีกตัวหนึ่งตายาผิดครั้งแรกนี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ครั้งที่สองนี่ถือว่าแย่แล้วหรือว่าการทำงานเนี่ยบางทีอาจจะพังเพลอ ล, ลืมนั่นลืมนี่นี่ธรรมดา แต่พอครั้งต่อมาก็ยังลืมอีกนะอันนี้เรียกว่าหนักกว่าครั้งแรกถ้าไหวครั้งคนเราก็ไม่ค่อยเต็มหนักนะว่าครั้งหลังเนี่ยหรือทําครั้งที่2เนี่ยมันสําคัญบางทีสําคัญกว่าครั้งแรกครั้งแรกจะผิดนะแต่ครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรจะถูก ไม่ควรจะผิดเหมือนเดิมหรือว่าผิดหนอกกับเดิมบางอย่างมันไม่ใช่ เ, เรื่องของความพลังพลาดหรือเผลอเลยนะแต่จะเป็นเพราะเหตุผลอื่นอาจจะเป็นเรื่องของหน้าตายเป็นเรื่องของกิเลสก็ได้เช่นไปเผลอต่อว่าคนบางคนด้วยความเข้าใจผิด ตอนหลังรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแทนที่จะไปขอโทษนะก็กลับเงียบทาไม่รู้ไม่ชี้ไอ้ความไม่รู้ไม่ชี้หรือเงียบเนี่ยมันก็ถือเป็นความที่ไม่ถูกต้องนะเป็นความผิดพลาดผิดครั้งแรกนี่ธรรมดาความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ แต่พอเข้าใจถูกแล้วควรู้ว่าความจิตเป็นอย่างไรแล้วก็ยังไม่ขอโทษอย่างนี้เราผิดครั้งที่สองอันนี้หนักกว่านะหนักกว่าผิดครั้งแรกหรือว่าทำสิ่งที่เลวร้วายกว่า น, นั้นนะอาจจะอาจจะไปลักขโมยด้วยความลืมตัว แต่พอกลัวว่าความจริงจะถูกเปิดเผยก็เลยทำผิดหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อปกปิดนะความผิดของตัวอย่างที่อาจจะได้ข่าวนะที่บางคนนี่ไปลักขโมยของพอเจ้าซับเขารู้นะขโมยแล้วเนี่ยก็กลัวว่า ความผิดจะแพ่งพลายก็เลยจัดการปิดปากซะเลยทำร้ายเจ้าทรัพย์ถึงตายเนี่ยผิดครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่นะแท่ลักทรัพย์นะครั้งที่สองเนี่ยพอทำผิดแล้วมันหนักกว่าเดิมนะนถึงับไปฆ่าเขาหรือบางคนคอร์รัปชันเนเาเชืไม่มีใครรู้พอ เริ่มจะมีคนรู้แล้วก็ไปสั่งให้ไปจ้างมือปืนเนี่ยมาปิดปากเนี่ยนี่หนักกว่าเดิมนะไอ้การคอร์รัปชันเนี่ยมันก็แค่เป็นการปฏิทุสลายต่อทรัพย์หรือเป็นความผิดต่อทรัพย์เนี่ยนี่ไม่เท่าไหร่แต่เพราะกลัวว่าคนจะรู้ ว่ตัวเองทําผิดก็เลยปิดปากถึงกับฆ่าคนเลยหรือว่าจ้างวานให้ไปฆ่าเงี้ยงั้นผิดครั้งแรกเนี่ยนะมันยังไม่เท่าไหร่นีแต่ผิดครั้งที่สองนี่มันหนักกว่าเดิมจึงพูดได้ว่าเนี่ยครั้งแรกยังไม่สําคัญเท่าครั้งหลังในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าเรา ครั้งแรกทำผิดนะแต่ว่าครั้งที่สองพยายามทำถูกเนี่ยโอ้นี่มันดีกว่าเยอะเลยเช่นทีัแรกอาจจะเผลอลืมลืมนัดเพื่อนแต่ครั้งที่สองนะพยายามนะเก็บพยายามจดจำนะไม่ให้ผิดไม่ให้พลาดอีก พอหนักครั้งต่อไปอก็จำได้ไปถูกทำตามนัดหรือว่าขับรถถอยหลังแล้วไปชนต้นไม้ก็สรุปบทเรียนวยว่าต่อไปเราต้องระมัดระวังนมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดถอยหลังถอยรถครั้งต่อมาก็ไม่มีปัญหาอะไร ทำได้ถูกหรือว่าสตาร์ทรถแรกอาทิตย์แรกเนี่ยเหยียดแมวตายแทนที่จะเอาแต่เศร้าโศกเสียใจก็มาสรุปบทเรียนว่าเออเราต้องระมัดระวังมากกว่านี้ต้องตรวจตาทีท่วนนะก่อนที่จะขึ้นรถให้แน่ใจว่าไม่มีแมวไม่มีหมานี่ไปอนอนอยู่ใต้รถ หรือใต้ล้อนะครั้งที่สองนี่หรือครั้งหลังเนี่ยเาก็ทำได้ถูกไม่มีปัญหาอะไรงานการที่แรกทำผิดพลาดนะแต่ว่าก็แม้แต่ตีกชกหัวแล้วก็มาสรุปมาหาบทเรียนว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วกแก้ไขมันถูกผิดที่แรกนะแต่ว่าถูกที่หลังนี่มันดีกว่า ในตอนเด็กกันนะเกิดไปต่อว่าคนด้วยความเข้าใจผิดนะแล้วพอรู้ความจริงเข้าก็ขอโทษนะแม้จะรู้สึกเสียหน้าบ้างหรือว่าจะไม่คุ้นเคยนะไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นลูกนะจะเป็นลูกศิษย์นะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้เป็นลูกน้องนะ การทำครั้งที่สองเนี่ยโอ้มันดีกว่าครั้งแรกเยอะนะผิดที่แรกแต่ว่าทำถูกที่หลังมันดีกว่าผิดซ้ำสองหรือว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะกลบเกื่อนปกปิดด้วยการทำความผิดหนักกว่าเดิมอ่ะก็สารภาพ อันนี้เนี่ยมันดีกว่าเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครั้งแรกเนี่ยทำครั้งแรกนี่สำคัญก็จริงนะแต่ว่าครั้งที่สองนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยครั้งแรกผิดแต่ว่าครั้งที่สองหรือครั้งหลังนี่ทาให้มันถูกอันนี้ดีกว่าผิดซ้ํำซาก จริงๆเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เรียกว่าความผิดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องการไปทำอะไรให้มันเกิดความเสียหายกับคนอื่นแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะบอกไม่เคยทำอันนี้ก็ดีนะแต่ว่าถ้ามองให้ละเอียดเนี่ย ในระดับจิตใจเนี่ยบางทีเราทำผิดหนึ่งแล้วเนี่ยครั้งที่สองยังทำผิดหรือว่าทำผิดตามมาถ้าเรามองให้ละเอียดนะถ้าฉันกำลังเตืเินสตินั่งสมาธิหรือกำลังฟังธรรมอยู่เกิดมีเสียงคนพูดคุยกันหรือเสียง คนเอารถมาจอดเสียงมอเตอร์ไซค์ดังเสียงเพลงจากข้างบ้านรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเลยใ้ความหงุดหงิดเนี่ยจะว่าไปมันเป็นเพราะความเผลอนะโดยเพราะขณะที่กำลังเจริญสติเนี่ยควรจะมีความสึกตัวแต่ด้วยความเผลอนะ วางใจไม่ถูกนะก็เลยเกิดความโนเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้ธรรมดาแต่เมื่อหงุดหงิดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้ใจเนี่ยมันหงุดหงิดต่อไปเรื่อยๆหรือจนกระทั่งเกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้แล้วว่าไม่ใช่ผิดหนึ่งนะผิดสองเลยนะ ผิดที่แรกนี่เผลอนะก็เลยปล่อยใจให้หงุดหงิดขึ้นมาปล่อยใจให้เกิดโทสะแลนะพอมันเกิดโทสะแล้วนี่ยังวางใจไม่ถูกนะปล่อยให้โทสะมันลุกลามจนบางทีคุมมะล้มไม่อยูนะ่ลุกไปต่อว่านะลุกไปโวยวายต้นเสียงนั้น อันนี้ไม่ใช่แค่ผิดหนึ่งนะผิดสองนะผิดสองด้วยแต่มันจะดีกว่านะเถกว่าผิดทีแรกเนี่ยเพราะความหลงนะหงุดหงิดขึ้นมาเมื่อมีเสียงกระทบแต่ครั้งที่สองหรือว่าต่อมาเนี่ยวางใจถูกแทนที่จะปล่อยใจไปจดจ่อยอยู่ที่เสียงนั้นทั้งที่ไม่ชอบ ก็ไปไปจดจ่ออยู่กับมันแทนที่จะ เ, เรียกจิตกลับมาอยู่กับการเจริญสติรู้กายรู้ใจหรือว่าฟังธรรมเนี่ยไอการปล่อยใจไปจดจอกับเสียงที่ทำให้หงดหยินเนี่ยมันก็เรียกว่าผิด2องนะแต่แทนที่จะทำางั้นนะก็เอาใจกลับมา อยู่กับเนื้อกับตัวถอนจิตออกมาจากเสียงนั้นอยงนี้เรียกว่าผิดทีแรกแต่ทำถูกทีหลังอจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับการปฏิบัติอยู่กับเสียงที่กำลังฟังทำเนี่ยจิตมันก็สงบลงแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะ ทีแรกเผลอจนหงุดงิดแล้วก็ยังปล่อยให้หงุดหงิด ต, ต่อไปด้วยการวางใจไม่ถูกต้องแทนที่จะปล่อยจะวางก็ไปจดจอ่อถ้าไม่จดจออ่อด้ยวยนะั้นไม่มีการต่อต้านผักใสด้วยแทนที่จะรู้ระวางหรือว่าแทนที่จะรู้เฉยๆก็ไปผักใสต่อต้านกับเสียง นันก็เลยยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่พอทุกข์มากๆเขาก็คุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยหลุดปากดาวออกไปนะหรือว่าลุกออกไปนะไปต่อเลาะต่อเทียงกับต้นเสียงอันนี้เรียกว่าผิดหนึ่งแล้วผิดสองนะถึงแม้ว่าจะแม่อาจจะไม่ถึงกลับไปต่อว่า นะแต่ว่าข้างในใจนมันทุกขนะ์ไฟมันเผาหลนจิตใจเพราะว่าปล่อยให้ความหงุดหงิดเนี่ยมันลุกลามไปเป็นความโกรธแต่จะใช่ดีนะนะทีแรกผิดนะแต่ว่าทีหลังเนี่ยก็ควรจะถูกทีแรกเผลอไปนะ ใจก็เลยรุงความโกรธขึ้นมาเมื่อมีเสียงมากระทบแต่พอใจมันทำท่าจะไปจดจ่อยที่เสียงนั้นก็ดึงก็มีสติดึงจิตกลับมาหรือพอ ไ, ไปต่อต้านไปผักใสไม่ยอมรับเสียงนั้นอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยก็มีสติรู้ตัวก็ยอมรับ มีเสียงดังเราทำอะไรไม่ ไ, มได้ก็ช่างมันมันจะดังก็ดังไปแต่ว่าใจเราก็จะไม่ไปสนใจกับมันวางมาลงไม่ไปยึดไม่ไปติดไม่ไปต่อต้านผักใสอันนี้เราผิดทีแรกนะแต่ทำถูกทีหลังคือวางใจถูกวางใจด้วยการมีสติมีความสึกตัว นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยควรจะตระหนักและควรจะทำนะอยู่เป็นอาจินนะมันเป็นธรรมดาที่เราจะผิดครั้งแรกหรือทีแรกเราจะทำผิดผิดนี้คือวางใจผิดเผลอขาดสติไปปรุงแต่งนะกับสิ่งที่มีสิ่งที่มากระทบ แต่พอมีความทุกข์แล้วก็ไม่ผิดซ้ำสองด้วยการซ้ำเติมตัวเองให้มันทุกข์หนักขึ้นด้วยการไปจดจ่อด้วยการไปยึตติดด้วยการไปต่อต้านผักสายมันหรือไปบน่นววยวายตีโพยตีพายอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองเข้าไปใหญ่แทนที่จะซ้ำเติมตัวเองก็กลับวางใจให้ถูกพอวางใจให้ถูกเนี่ยเออ ม, มันไม่เพียงแต่ใจไม่ทุกข์นะ แต่ว่ามันได้เรียนรู้ด้วยมันได้เรียนรู้จากความผิดพลาดมันได้เรียนรู้ได้ฝึกการรู้ทันอารมณ์ได้ฝึกการรู้ทันผัสสะซึ่งมันทําให้จิตเนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นแล้วก็มีสติที่รวดเร็วมากขึ้นเพราะว่าสติเราเนี่ย มันจะทำงานได้ไววก็ต่อเมื่อมันนะเจอสิ่งที่มากระทบหรือว่าเจออารมณ์ที่เกิดจากการกระทบนั้นเจอที่ว่านี่คือเจอเห็นรู้ทันแล้วรู้จักธรรมชาติของอารมณ์นั้น พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆก็เข้าใจหรือรู้จักอารมณ์นั้นไม่ว่ามันจะเป็นความโกรธความหงุดความขความแค่ความเบือ่อพอจำได้นี่ก็จะวางมันได้เร็วเหมือนกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยนะตัวเซลล์ที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้ามันจำเชื้อโรคได้ พอเชื้อโรคเข้ามานี่มันก็เข้าไปจัดการกับเชื้อโรคนั่นเลยวิธีที่ทำให้ภูมิัน้มจำเชื้อโรคได้วิธีนี้คือการฉีดวัคซีนเข้าไปนะวัคซีนคือเชื้อโรคที่ตายแล้วหรือว่ามีคุณสมบัติบางอย่างคล้ายกับเชื้อโรคนะฉนันมีน้ำยื่นออกมาเนี่ยที่เรียกว่า s p i ์ e protein พอ ปุมของการร่างกายเราจําชื้อโรคได้พอชื่อโรคเข้ามาเชื่อโรคจริงจเข้ามาก็จัดการมันได้ก่อนที่มันจะทําให้เราเจ็บป่วยและปุ๋มของการเนี่ยมันจะจําชื้อโรคได้หรือจะมีความจําว่าชื้อโรคเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยก็เพราะมันเคยเจอชื่อโรคแม้จะเป็นชื่อโรคที่ตายแล้วก็ตามนั้นสติของเราเนี่ยนะถ้าว่ามันเจอ อารมณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวครั้งเดียวจำไม่ได้ต้องเจอหลายๆครั้งถึงจะจำได้พอมันเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาคุกคามเล่น ง, งานจิตใจกับปล่อยให้กับให้กากับจิตให้วางนะไม่ไปไม่ไปต่อแย่ไม่ไปสู้รบตบมือกับอารมณ์นั้นพออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมัน ใจไม่ไปยุ่งด้วยไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยมันก็ฟอลไปเองนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยนะก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็ต้องผิดก่อนแล้วมันถึงจะถูกทีหลังหรือควรให้ถูกทีหลังอย่าไปคิดว่าทําทำแล้วนี่จิตมันจะสงบราบเรียกเป็นปกติมันไม่ใช่หรอกมันก็ต้องมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเกิดนิวัณต่างๆตาม เกิดขึ้นมากมายอันนี้ธรรมดาจะเรียกว่าเป็นเพราะเราวางใจไม่ถูกแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นตามมาก็คือรู้ทันมันแล้วพอรู้ทันมันเนี่ยอันนี้เรียกว่าเราเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกน หรือว่าผิดทีแรกแต่ว่าทำถูกทีหลังนักปฏิบัตินี่ต้องเจออย่างนี้แหละนะมันจะผิดทีแรกเสมอคือปล่อยให้มีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาจนบางทีฟุ้งไปเลยแต่ว่าถ้าทำถูกทีหลังนะมันจะไม่ฟุ้งนานหรอกมันจะเห็นความฟุ้งแล้วมันก็จะวางจิตมันจะวางนะไม่ไปยึด มันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นทีแรกเกิดขึ้นเพราะความเผลอแต่ทีหลังรู้ทันนะก็วางมาลงไม่ไปต่อยแยก่กับมันไม่ไปปรับสายต่อต้าน ม, มันมั่นจะให้ถูกทีแรกเลยทำไม่ได้หรอกมันต้องผิดก่อนแต่ก็สมัครคือว่าต้องให้ถูกตามมานะไม่ใช่ผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดหนึ่งไม่พอผิดสอง มันจะดีกว่านะถ้ า, าผิดหนึ่งนะแต่ว่าทีหลังก็ทําถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมนะยอมที่ใจมันจะผิดมันจะพลาดมันปล่อยให้มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีความคิดมากมายแต่ว่าผิดแล้วเนี่ยก็ทำให้มันถูกแนละ้วคือรู้ทันมันการรู้ทันเนี่ยคือการทําถูกคือการวางใจถูกรู้ทันเห็นมันนะไม่ต่อต้านไม่ผักไสมัน แถมยังหาประโยชน์จากมันเห็นสัจธรรมที่มันแสดงออกมาอันนี้เรเรียกว่าปิดทีแรกนะแต่ว่าทำถูกทีหลังนะซึ่งเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติเนี่ยควรจะทำนะเป็นอาจินอาจารย์นินพุสทนีนะ